1.8 การเลือกกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนศาสตร์ของการเจริญสมถะและศาสตร์ของการเจริญวิปัสสนาเราต้องเรียนศาสตร์นี้เหมือนกันหมดแต่ศิลปะในการปฏิบัติของแต่ละคนเป็นศิลปะเฉพาะตัวตั้งแต่การเลือกกรรมฐานว่าจะเลือกกรรมฐานอย่างไรถ้าเราเป็นคนคิดมากต้องเลือกดูจิตถ้านิสัยโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามต้องเลือกดูกายนี่เลือกอารมณ์ก่อน พอเลือกอารมณ์แล้วก็ต้องเลือกวิธีปฏิบัติถ้าจะดูกายต้องทำสมถะก่อนถ้าจะดูจิตดูไปเลยสมถะเกิดที่หลังการดูกายถ้าไม่ทำสมถะก่อนมันจะรู้กายไม่จริงมันจะไปเพ่งร่างกายไปเพ่งอวัยวะไม่ใช่รู้กายแต่ถ้าดูจิตไปทำสมถะก่อนจิตจะเฉยๆไม่มีอะไรให้ดูเช่นจิตมีราคะเราก็โลภหนอโลภหนอหรือพุโทโธพุโทโธราคาก็ไม่มีให้ดู พอฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็ไม่มีฟุ้งซ่านให้ดูหายไปหมดเลยดังนั้นการดูจิตเหมาะสําหรับวิปัสสนาญาณิกดูเข้าไปเลยแต่การดูกายเหมาะสําหรับสมถะญาณิกกายไม่ใช่แปลว่าร่างกายคําว่าในเครื่องหมายคําพูดกายาแปลว่าเป็นที่ประชุมคําว่าที่ประชุมประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยห้องประชุมประกอบด้วยคนที่เข้าประชุมประกอบด้วยเนื้อหาสาระของที่ประชุม ฉะนั้นกายเป็นที่ประชุมนะถ้าไม่มีห้องประชุมไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้นั่นแหละห้องประชุมถ้าผู้เข้าร่วมประชุมมานั่งแล้วไม่พูดอะไรไม่มีเนื้อหาสาระก็ไม่เรียกว่ามีการประชุมเพราะฉะนั้นกายคือที่ประชุมของรูปที่ประกอบเป็นร่างกายคือตัวห้องประชุมนี้เหมือนห้องเหมือนคูหาให้จิตอาศัยอยู่ผู้เข้าประชุมก็คือจิตเรื่องราวเนื้อหาคือตัวเจตสิกเช่นเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะฉะนั้นคำว่ากายานุ ป, ปัสนาคือการดูการประชุมของรูปของจิตและของเจตสิกไม่ใช่ดูแต่กายอันเดียวนะถ้าดูแต่กายอันเดียวจะไม่ขึ้นวิปัสนาหรอกมันจะเพ่งกายเช่นเพ่งที่ท้องได้สมถะทำอย่างไรถึงจะได้วิปัสนาใจเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดูกายนี้อันหนึ่งใจอีกอันหนึ่งคนประชุมกับห้องประชุมไม่ใช่สิ่งเดียวกันฉะนั้นร่างกายจึงเป็นที่อาศัยของจิต ร่างกายเคลื่อนไหวไปเพราะจิตสั่งให้เคลื่อนไหวได้ดูไปจิตอาศัยอยู่ในกายเพราะฉะนั้นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนสั่งร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้นี่มีกายมีจิตนะเรียกว่าต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตออกจากกันถ้ามีแต่กายอันเดียวจิตจะถลาลงไปเพ่งได้แต่สมถะอย่างบางคนพิจารณาลมหายใจฝึกดูท้องพองยุบฝึกยกเท้าย่างเท้า ใจก็ไปเพ่งที่ลมหายใจเพ่งที่ท้องเพ่งที่เท้าบางคนขยับมือใจก็ไปเพ่งอยู่ที่มือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เอาจิตเข้าไปตั้งแช่ไว้ที่ตัวอารมณ์เรียกว่าอารมณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์เป็นสมถกรรมฐานถ้าเราเพ่งมากๆจนจิตเกิดปิติเช่นเกิดขนลุกขนพองรู้สึกบูบบุบบวบบวรู้สึกผงะหน้าผงะหลังเป็นอาการของปิติเป็นอาการของสมถะทั้งหมดเลยไม่ใช่วิปัสสนานะ จะทำให้ปัสนาได้กายกับใจต้องแยกกันพูดง่ายๆกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าจะทำให้ปัสนาด้วยอานาปนาสติเห็นร่างกายนี้หายใจมีใจเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าคือลมหายใจมีธาตุไหลออกนี่เป็นแค่วัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดูอยู่ตั้งหากมันจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้อง มันจะไม่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะนิ่งๆแต่ถ้าจิตอยู่ตังหากเห็นว่ากายหายใจไปจะรู้สึกทันทีว่าตัวที่กําลังหายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมันถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้คือตัวเรานี่คือการทําวิปัสสนาวิปัสสนามุ่งถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรามุ่งถอดถอนความยึดถือในกายในใจว่าเป็นตัวเรา โดยดูกายร่างกายเคลื่อนไหวมีใจเป็นคนดู